นี่ภาษาสมมติปัญญตัต่างๆนั่นจะเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนการสมาธิมาแล้วพอสัมพันธ์พอมาสัมพันธ์กับร่างกายพอรู้สึกว่ามีร่างกายเท่านั้นจิตจึงจะพิจารณาทบครสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งในตอนนี้เรียกว่าพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน ในขณะที่รู้เห็นจิตนิ่งไม่มีภาษาสมมติปัญญาตเป็นความรู้ความเห็นในขั้นสมถะแต่เมื่อจิตมีภูมิความรู้บงังเกิดขึ้นเป็นความคิดแล้วจิตจอมรับสภาพความจริงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วยอมรับว่าสิ่งนั้นๆเป็นดินน้ำลมไฟจริงๆเป็นต้นอันนี้เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ในขณะที่จิตมีความรู้ความคิดที่เกิดดับอยู่ก็ดีในช่วงนั้นจิตมีสติกำนดรู้อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าลักษณะของความเป็นไปของจิตอยู่ในลักษณะที่กำหนดพิจารณาก็ตามในเมื่อจิตได้ปรองใจตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรแน่ชัดลงไปจุดที่ตัดสินนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีความสงสัยคล่องใจว่าสมถะคืออะไรวิปัสนาคืออะไรให้กำหนดหมายรู้อย่างนี้เมื่อเราทำสมาธิภาวนาแล้วจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานความสงบอันนี้เรียกว่าสมถากรรมฐาน เมื่อเจตน์อนอกมาจากสมาธิแล้วมาเกิดความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยข้่องใจอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นสมถะความรู้ว่านี่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นสมถะ อันนั้นคือวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นคำว่าสมถาก็ดีวิปัสสนาก็ดีที่ท่านเขียนไว้ตามาำรับตำราเป็นแต่ชื่อของการปฏิบัติแต่เมื่อเราปฏิบัติกันจริงๆแล้วทั้งสองอย่างการปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนากาหนดลมหายใจเจริญกายจกตาสติ พิจารณาธาตุสมถานหรือกำหนดรู้อารมณ์จิตเรียกว่าเจริญสมถะ ท, นทีนี้ถ้าหากว่าเรามาค้นคิดพิจารณาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเช่นพิจารณาว่ารูธาตุอนัจฉณะเป็นสิ่งที่ไม่ที่อย่างเป็นพูกเป็นอนัตตาอันนี้เป็นภาคปฏิบัติวิปัสนาจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสองอย่างนี้ ก็เพื่อมุ่งที่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงและอีประเด็นหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจเอาไว้ว่าสมาธิการปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งะระลึกอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่ที่จะมานั่ง บริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาราหังยกหนอพองหนอปัญหาเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานดังที่กล่าวมานีบางทีก็มีมติีขัดแย้งกันแต่ความจริงไม่มีอะไรที่จะขัดที่เราเกิดขัดแย้งกันก็เพราะเหตุว่าคนทำสมาธิไม่เป็นกับคนทำไม่เป็นมาเจอกันเข้ามันก็ขัดแย้งกัน แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งไม่เป็นก็ปูดจ้ากันไม่รู้เรื่องแต่ถ้ า, าว่าทางฝ่ายต่างเป็นมันก็ลงรอยเดียวกันเช่นเดียวกันกับเด็ก <c oughs> นักเรียนชาวคริสกับชาวพุทธมาทำสมาธิภาวนาร่วมกันเด็กชาวพุทธภาวนาพุทโธเด็กชาวคริสภาวนาเยซู เมื่อเจสงบเป็นสมาธิก็หยุดนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันอันนี้เป็นหลักฐานพยานที่เราจะนำมาพิจารณาเพื่อแก้ข้อข้องใจในการปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู <c oughs> ้ที่มีการศึกษาสู ง, สงเช่นเรียนปรบิน ญ, ญามาเป็นต้น ขอยืนยันว่าท่านได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเกี่ยวกับการศึกษาของท่านถ้าเวลาว่างๆให้ท่านลองนึกย้อนหลังไปดูว่าในขณะที่ท่านใช้ความคิดหรือวิจัยงานของท่านเวลาเผลอๆจิตโปะลงไปนิดหนึ่งความรู้ที่ต้องการรู้มันผุดขึ้นมานั่นคือสมาธิในขณะที่ท่านวิจัยงานใช้ความคิดพปไปเบียนมา ท่านกำลังทำสมาธิเรียกว่าพิจารณาธรรมทีนี้พอจิตมีพลังงานมีสมาธิมีสติปัญญาจิตผูกบ้างลงไปนิดหนึ่งความรู้ที่ท่านต้องการรู้มันผุดขึ้นมาเป็นความรู้อันนั้นคือสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้มุ่งที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้ได้ผลอย่างแน่นอน อย่าไปข้องใจสงสัยในหลักและวิธีการตามที่สังคมนักปฏิบัติได้ล้องใจกันอยู่แม้ว่าเวลาท่านทํางานยืนเดินนั่งนอนรับทานทดื่มทําผูกคิดเมื่อท่านมีสติกําหนดตามรู้อิริยาบทแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องชีวิตประจําวันของท่านท่านตั้งใจปฏิบัติต่ตอเนื่องกันไม่ขาด ในที่สุดท่านก็จะได้สมาธิขึ้นมาเพราะการปฏิบัติอย่างนี้เคยมีตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติแบบนี้ได้สมาธิเป็นที่พอใจเช่นอย่างมีพนักงานที่ดินจังหวัดระจองท่านหนึ่งมาถามว่าอยากปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งหลับตาภาวนาเหมือนอย่างติพร้าท่านสอน หลวงพ่อมีวิธีการอันใดที่จะให้เราได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาได้บ้างก็นแนะนำให้เขาฝึกสติให้รู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันตลอดเวลาเมื่อเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับ ถ้าหากภาเคเปียนพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันพุกวันพวกวั น, วนจนคล่องตัวจำนิจํานานจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดปีติเกิดความสุขจะรู้สึกเหมือนตัวลอยอยู่บนอากาศเพอจิตหยุดคิดจิต จ, จะนิ่งว่ารู้ตื่นเบิกบานงานการสิ่งใดที่เราคล่องอยู่เมื่อกลางวันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิต แล้วจิตเขาจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกในเมื่อให้คำแนะนำเขาไปอย่างนี้เขาไปปฏิบัติตามหลังจากนั้นประมาณสิบห้าวันเขากลับมารายงานผลในการปฏิบัติเขาบอกว่าในขณะที่เขานอนเขากำหนดรู้อารมณ์จิต พอกําหนดรู้ไปจิตพอกิดไปมีสติกําหนดตามรู้ไปพ่อหนักๆเข้ารู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอรู้สึกว่าเกิดปีติตัวเข้าลอยพ้นเตียงขึ้นไปสองเมตรพ่อบอกว่าพอรู้ตัวว่าตัวลอยเกิดตกใจหล่นตุ๊บลงมาหัววัดขอบเตียงหัวหนูเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อกลถามเขาว่า คนฝันไปหรือเปล่าจะฝันอย่างไรครับหัวผมยังโนอยู่ยังไม่หายเลยเขาชี้ให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคล ผ, ผู้ปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเอาอารมณ์อันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันเป็นอารมณ์จิตแล้วก็ได้สมาธิเป็นที่พอใจอันนี้ขอแสดงความคิดเห็น เพื่อท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาสในการปฏิบัติสมาธิภาวนานี่ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิที่ถูกต้องกันจริงๆไม่ใช่สมาธิแบบชนิดที่บังคับจิตข่มจิตให้เป็นไปเมื่อได้สมาธิตามธรรมชาติบางท่านก็อาจจะว่าฝึกสมาธิแล้วประเดี๋ยวมันจะเบื่อโลกเบื่อสงสารอยากจะโกนหัวไปบวน อันนี้ก็มีบ้างแต่ไม่บ่อยนักแต่ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิที่ได้สมาธิตามธรรมชาติไม่ใก่การตกแต่งเขาจะมีความรู้สึกเคารพรักในบิดามารดาเป็นอย่างมากเคารพรักในผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากมีความเมตตและมีความรักและความเมตตาสงสารในเพื่อนกันเป็นอย่างมาก แล้วจะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อหน้าที่แล้วจะได้พลังกายพลังจิตเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างขยันขันแข็งทำงานไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยทำงานไปก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำงานให้ได้มากที่สุดให้คุ้มค่าเงินเดือนที่ได้รับพระราชทานมา บางท่านนึกจำหนตัวเองในเมื่อปฏิบัติสมาธิเป็นแล้วนึกจำหนว่าเมื่อก่อนนี้เราทำงานรู้สึกว่าจะไม่คุ้มค่าเงินเดือนที่ได้พระราชทานมาแต่พอฝึกสมาธิเป็นแล้วนี่ขยันขันแข็งในการทำงานแล้วก็มีการรับผิดชอบตียิ่งขึ้นอันนี้ผลพลอยไดที่จะเพิ่มไดจากการปฏิบัติสมาธิอันเกี่ยวข้องกับสังคม เอาต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านจงพยายามกำหนดรู้อารมณ์จิตด้วยอาการเบาๆเช่นอย่างกำหนดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเฉยๆอย่าไปนึกไปคิดอะไรทั้งสิน้นแล้วอย่าไปบังคับจิตอย่าไปข่มจิตอย่าไปข่มอารมณ์ถ้าบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้น ก็เห็นเลือกคาริกรรมภาวนาพุโทโธเบาๆให้รู้สึกเบาๆเหมือนเมนกับเราทำเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแล้วเราก็ไม่ควรกังวลว่าสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อไรธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเราก็จะได้สมาธิเกิดขึ้นตามที่เราต้องการ สมาธิมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดอยากความรู้อะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดอยากถ้าเราต้องการอยากจะให้มันมีมันเป็นอยู่ความอยากดีอยากมีอยากเป็นมันเป็นตัวกิเลสกิเลสมันจะปิดบังการปฏิบัติงานจะไม่เกิดผลดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดรู้อารมณ์จิตตามที่ท่านถนัด อย่าไป ห, หวังผล ใ, ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าทำไม่หยุดแล้วผลจะเกิดขึ้นเองในขณะที่จิตเป็นไปตามแนวทางของสมาธิตามขั้นตอน <c oughs> เราจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่ได้กำหนดหมายขั้นตอน คือไม่ได้กาหนดหมายว่าขณะนี้จิตอยู่ในสมาธิขั้นนั้นแล้วต่อไปจะเป็นไปอย่างนั้นต่อไปจะเป็นไปอย่างนั้นแต่เมื่อถ้าหากว่าจิตเป็นไปตามแนวทางแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติดึงมันเกิดความสงบเองขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้จ้างใจคือไม่ได้บังคับให้สงบ เมื่อสงบหนึ่งแล้วจิตเขาเราค้องเราก็จะรู <c oughs> <c oughs> <t <t ้อยู่ในทีสมาธิอยู่ในขั้นตอนไหนจิตก็รู้อยู่แต่ว่าในขณะที่รู้อยู่นั้นจิตจะไม่นึกว่านี่สมาธิขั้นนั้นนี่สมาธิขั้นนี้เป็นแต่เพียงผ่านผ่านผ่นผ่านผ่นผ่านไป บางทีบางท่านที่ที่ไม่ได้อ่านตํารามาแน้ว่าจิตสมาธิจะเป็นไปถึงขั้นไหนตอนไหนก็ตามเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็จะพูดไม่ถูกว่าจิตของเราของเขาอยู่ในสมาธิขั้นไหนตอนไหนแต่ผู้ที่ได้เรียนปริยัตมีความทรงจําแนวทางที่เป็นไปของจิตในสมาธิจาได้แน่นยํา เมาเจิตออกจากสมาธิมาแล้วเขาจะรู้ทันทีว่าอ๋อสมาธิวัดที่ผ่านมานี่มันผ่านผ่านนั้นผัานนั้นผ่านนั้นแต่ในขณะที่จิตเป็นจริงหรือรู้จริงเห็นจริงอยู่นั่นอย่าไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรมีแต่รู้เฉย อ, อยู่ทีนี้คําที่ว่าท่านบอกว่าให้ทําสมาธิให้คล่องตัวได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ แล้วก็ให้น้อมจิตไปพิจารณาโ น, น่นนี่อันนั้นเราจะน้อมได้เฉพาะแต่เพียงแค่จิตสงบซึ่งยังไม่ใช่สมาธิแต่ถ้าว่าจิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติแล้วแม้ความรู้สึกจะน้อมจิตไปไหนนั้นจะไม่มีเลยนอกจากว่าจิตจะปฏิวตัติตัวไปเองตามกำลังที่จะปฏิวัติไปได้เพียงใดแค่ไหน าหากจะเกิดความรู้จิตก็จะรู้ขึ้นมาเองถ้าจะเกิดความเห็นก็จะเห็นขึ้นมาเองถ้าเราตั้งใจน้อมไปว่าเพื่อจะรู้จิตจะถอนจากสมาธิทันทีดังนั้นในแนวทางปฏิบัติถาหากเรามีปัญหาข้องใจเราอยากจะรู้อะไรให้ตั้งใจถามตัวเองเอาไว้อันนี้มันคืออะไร แล้วก็ปฏิบัติสมาธิต่อไปเมอถึงจังหวะที่จิตเขาจะมีความรู้ความเข้าใจเขาจะรู้เองแล้วเขาจะบอกเองว่าอะไรเป็นอะไรโดยธรรมชาติของสมาธิแล้วนี่ถ้าเป็นสมาธิที่แท้จริงตามธรรมชาติ แม้ว่าเรายังมีความรู้สึกพอที่จะน้อมจิตได้อยู่ถ้าเกิดน้อมพักดจิตจะถอนจากสมาธิทันทีสมาธิอ่อนๆ<ม>เพียงแค่ววูลงไปนิดหนึ่งเกิดเอกใจสมาธิก็ถอนทันทีนี่ธรรมชาติของก็จะเป็นไปอย่างนั้นอยากจะเรียนถามอาจารย์นะฮะท่าที่ผมเข้าใจก็ ที่ว่าการสมาธิก็คือการดูหรือว่ารู้ที่จิตของเราว่าจิตเราจะคิดอะไรขึ้นมาหรือว่าจะมีความว่างขึ้นมาหรือว่าจะรู้สึกที่ลมหายใจ อ, อจะเป็นไม่ได้นะฮะที่เรามีอาการสองอย่างพร้อมกันในขณะเดียวกันเช่นว่าเรารู้ลมหายใจแล้วก็มีความคิดโผล่ขึ้นมาด้วยอันนั้นจะติดแนวไหมหรือว่าต้องรู้อย่างใดอย่างหนึ่งคือการทําสมาธิที่ถูกเป็นไปได้ การจิตสงบเป็นสมาธิจิตรู้ทั้งลมหายใจและทั้งมีความรู้ความคิดเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นไปได้มันมีลักษณะเหมือนเหมือนกับว่ามือเราทำอะไรอยู่แต่เราก็ยังพูดได้อยู่ทำนองนั้น อยากทราบจากอาจารย์ต่อะฮะคือว่ามาที่เนี่ยที่ที่จุดใหญ่คือการการดูหรือการรู้นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับคนฝึกใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะจะสร้างสภาพขึ้นมาคือว่าอาจจะน้อมใจนึกถึงนิดๆหรือนึกถึงความสว่างขึ้นมาอะไรก็ตามหรือนึกถึงพระพุทธพุทธคุณหรืออะไรเงี้ยนะฮะ แต่ใจมันก็มีความสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่มันเล็กน้อยคะับตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอน้ำเป็นการลักษณะบังคับมากกว่าไม่ใช่อย่างตามที่แนวที่หลวงพ่อพูดว่าให้ดูเฉยเฉยมันจะเกิดและก็เกิดขึ้นมาเองแต่เรารู้เอาไว้ถ้าเกิดการการที่ยันโน้มขึ้นมาให้ให้ใจมีความสว่างแต่มันมีความสว่างขึ้นมาก็จริงฮะัคิดว่าอย่างนั้นมันมันผมคิดว่ามันจะผิดทางเพราะว่ามันบางทีมันจะมีความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหนักขึ้นมาบ้างเหมือนกันในบางครั้ง บาครัก็รู้สึกเฉยก็มองกระจัามสว่างสุรลว์ก็ไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่า ง, งนั้นลักษณะนั้นอันนี้อันนี้เกิดเกิดเกิดหางความรู้สึกนอยๆเ่นเักที่มา น, นี่แสดงว่ามันิด ว, วิธีใช่ไหิดๆๆๆวิธีการฝึกสมาธิด้วยการบังคับจิตถอว่าเป็นการสะกดจิตตัวเอง แม้บางครั้งเราใช้คำบริกรรมภาวนาบางบางคำเช่นอย่างนามพะธะนามพะธะนี่เป็นคาถาสกุลติส่วนใหญ่ผู้ภาวนานามพทานี่ตัวจะสั่นสั่นสั่นสั่นขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าในขณะที่เกิดตัวสั่นมีใครสักคนหนึ่ง มาเชนแน่ว่าให้เห็นโน่นเห็นนี่อะไรทำนองนี่ผู้ทงนั่งสมาธิจะมองเห็นเป็นมนณภาพขึ้นมาทันทีแต่ทางที่ถูกที่ควรนั้นควรจะได้กำหนดตัว <คน S 1> <น>อารมณ์จิตชว้ยอยู่เพียงแต่ให้มีสติระคับประคองจิตอยู่กับอารมณ์สิ่งรู้ ส่วนความสว่างหรือไม่สว่างสงบหรือไม่สงบนั้นปล่อยให้จิตเป็นเอกเพราะหลักธรรมชาติมีอยู่ว่าจิตของคนเราถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีอย่างท่านพุทธทาสเคยสอนว่าจงทําจิตให้ว่าจงทําจิตให้ว่า แล้วมีนักปฏิบัติบางท่านไปเขียนหนังสือโจมตีโจมตีกันอย่างรุนแรงถึงขนาดจะนามว่าเป็นลูกศิษย์เจริญถีเป็นมิจฉาทิฐิเขียนหนังสือเล่มหนาขนาดนี้คนที่เขียนก็คือท่านอ น, นันตอ น, นันตเสนาขันตอนที่ท่านยังบวชอยู่ แล้วท่านนั้นนี่ก็สนิทพุ้นเคยกันพอพบกันหลวงพ่อบอกว่าท่านนั้นทําไมไปว่าท่านอาจารย์อย่างนั้นไปว่าท่านเป็นมิจฉาทิสีเป็นลูกสิเดียละลัตถีมันไม่ถูกต้องต้องไปขอขอมาโทษท่านนะท่านอาจารย์พุทธทาสท่นแหละท่านรู้ธรรมชาติของจิตดีเมื่อเราพยายามทําจิตให้ว่าง มันก็จะว่างได้แต่เพียงคั่กู่แต่ต่อไปมันก็จะไม่ว่างทีนี้แม้ว่าจิตจะว่างอยู่แต่มันก็ไม่ว่างจากความตั้งใจที่จะให้ว่าง ท, ทีนี้เพราะท่านพุทธทาสท่านเข้าใจดีในเรื่องนี้ว่าจิตมันว่างอยู่ตลอดไปไม่ได้เหมือม่อบรรบา่างแล้วมันจะต้องมีความคิด ทีนี้เมื่อเจตัวว่างๆเกิดความคิดขึ้นมาจิตก็รู้ว่ามีความคิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะรู้เวลาจิตดุดุคิดจิตก็ก็รู้เองว่าจิตดกคิดแล้วก็ว่างเพราะจิตเขาเป็นผู้สร้างงานขึ้นมาตัวเขาเองเป็นอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่แก่ใจส่วนความตั้งใจหรืออะไรที่เราเกิด ตะกิดใจขึ้นมาเพราะความคิดอันนั้นอันนั้นมันเป็นตัวเจตนาที่เราอาจจะคิดขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาแต่โดยธรรมชาติของจิตแล้วเขาจะไม่มีว่างได้ตลอดกาลหลักของท่านพุทธทาสถ้าจิตว่างก็ปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิ ด, คดปล่อยให้คิด ทีนี้โดยเฉพาะพระ อ, อย่างยิ่งเมื่อเราทําจิตให้อยู่ว่างๆสิ่งที่จะปราบอดเด็นทัดที่สุดในขณะนั้นคือลมหายใจจิตก็จะไปรู้ลมหายใจเองทีงนี้ในบางครั้งเขารู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดไปบางครั้งทิ้งทิ้งลมหายใจแล้วก็มาเกิดความคิดท่านก็สอนให้กําหนดรู้ความคิด อันนี้เป็นหลักในวิธีการฝึกสมาธิตามหลักของธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ตกแต่งให้จิตเป็นอะไรอย่างไรลงผลสุดท้ายท่านอารันก็ต้องไปขอสมาพุทธมีคนเขาพูดวางคือไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวหรอกค่ะเป็นปัญหาของ ท, ที่ได้ยินมานะคะว่มีคำถามว่า <c oughs> เขาก็อยู่บ้านนะฮะเขาก็ปฏิบัติเ อ, อทานก็ทำศิลก็ศิลห้าอาจจะบกพร่องบ้างเขาก็ทําคุณงามความดีตลอดมีความจําเป็นมากไหมคะที่จะต้องมาอยู่บัดนเพื่อปฏิบัติสมาธิอะไรอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ปัญหาข้อที่หนึ่งนะคะไมคิดว่าเขาเต็มอยู่แล้วนะคะถามถามที่เราแล้ว<ร> ข, ข้อที่สองนะคะหลวงพ่อถามที่ลราข้อปัญหานี้ มันไปตรงกับคำที่ว่าเมื่อเราเรียนจบรู้แล้วจำเป็นไหมเราจะต้องไปเข้าโรงเรียนอีกทางนั้นคำตอบก็คือว่าในเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติสู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติอยู่วัด เราปฏิบัติอู่ที่บ้านเราถ้าเราอยากจะไปวัดก็จะแจงตัวให้เข้ากับสังคมตามจารีตประเพณีถ้าไม่ไปซะเลยชาวบ้านเขาก็จะว่าเอาอานี้ยายทนี้ไม่รู้จักเข้าวัดแต่ผู้ตั้งใจปฏิบัติมีการไหว้พระปวดมนั่งสมาธิยึดศียนห้าเป็นหลักปฏิบัติจูเป็นประจำ ก็ไม่ต้องกระเสือกกรนที่จะไปหาเข้าวัดหรือจะไปวัดหมายความว่าไม่จําเป็นไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นจะต้องไปแต่เวลาเราอยากไปไปทำบทุญผลทานร่วมกับมูกพระนะนั่นเราไปแต่ไม่ควรถือว่าจําเป็นต้องไป